หัวข้อปัจจัยที่เป็นตัววาดแผนผังอนาคตชาติ 1. ความสม่ำเสมอความสม่ำเสมอของกรรมจะเป็นตัวบอกว่าคุณตัดสินใจเลือกเป็นใครคนหนึ่งแน่ๆมีเส้นทางเดียวแน่ๆ น, นิสัยใดของคุณตั้งมั่นตลอดชีวิตนิสัยนั้นจะติดตัวตามไปถึงชาติต่อๆไปอย่างแน่นอน ความตั้งมั่นของนิสัยใจคอที่คุณรักษาไว้ตลอดชีวิตเพียงชาติเดียวจะเอาชนะได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครูในชาติหน้าหรือข้อบีบคั้นต่างๆให้เปลี่ยนแปลงเช่นถ้าคุณยึดมั่นในความถูกต้องดีงามแม้ต้องดวนความผูกพันอันเหนียวแน่นดึงให้ไปเกิดกับพ่อแม่ที่เลวหรือพบครูที่สอนผิดๆคุณก็นึกค้านเพราะบุญเก่าจะเป็นสัญญาณนาร่องให้คิดได้เองตั้งแต่เด็กๆ แตกต่างจากคนส่วนใหญ่ที่เมื่อทําบาปแล้วตกอยู่ในสิ่งแวดล้อมเลวร้ายแบบไหนก็กลายเป็นคนเลวร้ายแบบนั้นอย่างไรก็ตามกรรมมีหลายแบบคุณตั้งมั่นในกรรมได้หลายชนิดฉะนั้นผังกรรมใหม่ของคุณในอนาคตย่อมไม่ตื้นเขินเส้นทางชีวิตและสิ่งที่คุณจะพบตามทางขึ้นอยู่กับกรรมที่ทําอย่างสม่ําเสมอทั้งหลายก่อน ตัวคุณในชาติหน้าอาจคิดว่าเป็นฟ้าลิขิตเป็นเทวดาบรรดาหรือเป็นความเคราะดีเคราะไร้ที่ปราศจากเหตุผลทั้งที่คุณเองคือสถาปนิกคือวิศวกรสร้างผังกรรมทั้งสิน้นกรรมที่ทำสม่าเสมอส่วนใหญ่จะให้ผลทั้งชาตินี้ชาติหน้าแต่บางอย่างอาจให้ผลน้อยในโลกนี้เพราะติดเงื่อนไขทุนเดิมแต่ก็จะให้ผลมากในโลกหน้าวันอย่างคา ยกตัวอย่างเช่นคุณอยู่ในถิ่นธุระกันดาลมีสมบัติน้อยมีข้าวปลาบริโภคน้อยแต่กลับมีใจใหญ่ชอบให้อาหารหมาแมวไก่กาตลอดจนเอื้อเฟื้อน้ำท่าให้เพื่อนบ้านเป็นประจำทำด้วยจิตคิดอนุเคราะห์จริงๆแม้ทุนเก่ากับคะแนนใหม่ที่รวมกันยังมีกำลังอ่อนจะไม่ช่วยให้คุณพ้นจากสภาพความยากจนทันตาทว่าเมื่อสิ้นสุดชีวิตนี้ ความเป็นคนใจกว้างจะทำให้คุณได้อยู่ในพบใหม่ที่กว้างขึ้นสว่างสบายและมั่นคงขึ้นแน่นอนว่าหากกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกในทันทีคุณจะไม่มีความตกใจเพราะทุกสิ่งจะเริ่มต้นใหม่หมดนับแต่การลบความจำการค่อยๆเห็นตนเองเติบโตมาในบ้านที่มีข้าวปลาอยู่ในครัวให้กินไม่จำกัดแต่หากคุณไปเกิดบนเทวโลก คุณจะรู้สึกเหมือนฝันร้ายที่พลิกเปลี่ยนเป็นฝันดีทันทีอย่างน่าตื่นใจ 2. กรรมที่ทำด้วยเจตนาหนักแน่นเป็นพิเศษความรุนแรงของเจตนาจะย้อนกลับมาเป็นความรุนแรงของสิ่งกระทบเช่นกันจะเห็นว่าคนเราแม้ทำกรรมชนิดเดียวกันเป็นประจำ แต่ก็มีเจตนาหนักเบาผิดแผกแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นผลก็ย่อมหนักเบาและมีความไม่สม่ำเสมอตามไปด้วยโดยมากผังกรรมใหม่ของคนส่วนใหญ่แม้มีอะไรอะไรให้คุณเจอซ้ำๆอยู่ร่ำไปก็มีความน่า ย, ยินดียินร้ายที่ผิดแผกแตกต่างในด้านน้ำหนักแต่ก็จะมีบางคนเจอดีเจอร้ายหนักหนาสาหัสตลอดชีพนั่นก็สะท้อนว่า น้ำหนักเจตนาของเขาในอดีตชาติคงเส้นคงวาผิดมนุษย์มนาเช่นกัน 3. กรรมที่ทำด้วยความเพียร น, นานเป็นพิเศษความเพียรหมายถึงความใส่ใจหรือความพยายามอย่างต่อเนื่องผลจะมาในรูปของความยืดเยื้อในการให้ผล หากเกิดใหม่บนสวรรค์หรือนรกจะมีอายุขายยืนนานและเมื่ออย่างต้องท่องเที่ยวเกิดตายอีกหลายครั้งกรรมนี้ก็จะมีส่วนจัดผังชีวิตด้วยร่ำไปไม่หมดไม่สิ้นโดยง่ายแม้บางชาติจะไม่ทํากรรมนี้เลยก็ตามยกตัวอย่างเช่นบางคนจะมีนิสัยประเภททําทานต่อเมื่อพบสมณะที่น่าศรัทธาเผอิญชาติหนึ่งมีวาสนาพอจะพบพระพุทธเจ้า และอริยาสาวกบังเกิดความเลื่อมใสเป็นล้นพ้นก็ขวนขวายเพียรใส่บาตรเพียรอาสารับใช้หรือจัดหาสิ่งของให้พวกท่านตลอดชีวิตสะสมคะแนนความเพียรไว้อย่างล้นหลามเกินประมาณถูกเช่นนี้แม้ชาติต่อมาจะเป็นเศรษฐีขี้ตืดไม่ค่อยบำรุงศาสนาเพราะไม่พบนักบวชที่น่าเลื่อมใสพออย่างมากก็ให้ทานคนยากคนจนบ้าง ไม่ได้ทำทานที่มีความสว่างรุ่งเรืองใหญ่หลวงแต่ผลที่เคยถวายสังฆทานชั่วชีวิตด้วยความภาคเพียรสม่ำเสมอเพียงชาติเดียวก็ส่งให้ได้เป็นเศรษฐีใหญ่ทุกครั้งที่เกิดในภพมนุษย์และเป็นเทวดาผู้มีสมบัติทิพมหาสารทุกครั้งที่เกิดบนสวรรค์ 4. กรรมที่ทำด้วยโสมนัสแปลงเป็นพิเศษ สมนัติคือเครื่องวัดว่ากรรมที่ทําในครั้งหนึ่งหนึ่งมีความใหญ่ในตัวของกรรำเองเพียงใดเพราะจิตและเจตนาในการทํากรรมย่อมปรุงแต่งให้เกิดสมนัติดแผกกันไปหากสมนัตในการทํากรร ม, มมีความแรงเป็นพิเศษไม่ว่าเป็นกรรมดีหรือกรำชั่วการสวยผลจะเป็นไปด้วยความยิ่งใหญ่กว้างขวางหากเป็นสมนัตในกรรำขาวผลจะน่าชื่นใจแจ่มชัดยิ่ง เช่นการถวายสังฆทานด้วยโสมนัสแรงทุกครั้งจะทำให้คุณเกิดใหม่ในที่ที่มีสมบัติบรรดาปีติหน้าพิสมัยยากแก่การเบื่อหน่ายแต่หากเป็นโสมนัสในกรรมดำผลก็จะน่าขนพองสยองกล้าวยิ่งเช่นถ้าคุณแค้สศัตรูคนหนึ่งชนิดฝังกระดูกวันใดสบโอกาสได้ฆ่าเขาด้วยวิธีตัดมือตัดเท้าทิ้งทีละชิ้น แถมก่อนสิ้นใจบังคับให้ดูภรรยาถูกมคมขืนข่ายอย่างทรมานแล้วคุณเกิดความปราบปลื้มใจที่ล้างแค้นสำเร็จความปราบปลื้มนั้นคือสงมนัสอย่างแรงเป็นพิเศษในกรรชั่วที่ใหญ่หลวงเมื่อให้ผลในที่เกิดใหม่จะทำให้คุณต้องเผชิญกับเรื่องโหดร้ายนานับประการแม้หมดเกมในแนรกมีโอกาสมาเป็นมนุษย์อีกก็เหมือนทั้งชีวิต จะต้องหัวซุกหัวซุนหลบหนีการไล่ล่าที่เยี่ยมเกรียมร่ำไปคุณมีสิทธิถูกเกมกรรมทรมานด้วยการเวี่ยงไปเป็นนักโทษที่ผู้คุมไม่ยอมให้ตายดีและแม้คิดฆ่าตัวตายก็ทำไม่ได้พูดง่ายๆว่าผังชีวิตจะถูกวาดให้เจอแต่กรอบร้ายน่าสยดสยองได้รับความทรมานกายและเจ็บช้ำน้ำใจเกินจินตนาการ 5. กรรมที่ทำกับบุคคลพิเศษแต่ละคนเป็นเป้าให้เกิดการขยายผลกรรมมากน้อยต่างกันเช่นถึงแม้ว่าคุณจะไม่มีนิสัยนักเลงแล้วก็ไม่ได้อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นพิเศษแต่บังเอิญเคาะร้ายที่มีคู่เวงคนหนึ่งไปบวชพระและว้ววาสนาบารมีพอจะบรรลุมรรคผลอย่างเนี้ยพอคุณเจอท่านขณะเป็นอริยบุคคลแล้ว แล้วคุณไปกลางใส่ท่านแค่ครั้งสองครั้งน้ำหนักกรรมดำก็อาจจะมากขนาดกำหนดรูปพันฑ์สันฐานในอนาคตได้เช่นตัวเตีย้ยมีลักษณะต่าต้อยหน้าดูถูกกับทั้งมีอำนาจน้อยตรงข้ามหากคุณชอบกลางประมาทว่าชอบยกตนข่มท่านหรือแสดงท่ายิ่งใหญ่อาจมีรังแกชาวบ้านเล็กน้อยแต่กับพระสงฆ์องค์เจ้าที่น่าเลื่อมใสแล้ว โก้มกราบแทบเท้าทุกครั้งไม่ทำตัวพยองเลยอย่างนี้กรรมขาวอาจมีน้ำหนักเกินกรรมดาคือจะมีร่างกายสูงสง่าไม่อายใครแต่อาจมีอำนาจไม่มากสมความสง่าของร่างผังชีวิตมากถูกจัดให้เป็นใหญ่ต่อเมื่อตั้งใจทำงานบุญแต่ถ้าเป็นงานทางโลกจะไม่ค่อยมีใครให้ตําแหน่งหน้าที่สำคัญสำคัญ ทั้งบุญทั้งบาปเมื่อทำกับคนทุศรรีลจะมีผลน้อยกว่าทำกับคนมีศีลเมื่อทำกับคนมีศีลจะมีผลน้อยกว่าทำกับอริยะเจ้าชั้นต้นๆเมื่อทำกับอริยะเจ้าชั้นต้นๆจะมีผลน้อยกว่าทำกับอริยะเจ้าชั้นสูงเช่นพระอรหันต์เมื่อทำกับพระอรหันต์จะมีผลน้อยกว่าทำกับพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้บรร ล, ลุธรรมด้วยพระองค์เอง เมื่อทำกับพ ร, ระปัจเจกกับพุทธเจ้าจะมีผลน้อยกว่าทำกับพระพุทธเจ้าผู้สถาปนาศาสนาพุทธได้ 6. กรรมที่ทำกับมหาชนมหาชนคือคนจํานวนมากอันไม่ทราบแน่ว่าเท่าใดจัดเป็นกรรมที่ทำแบบไม่เลือกหน้าเมื่อให้ผลก็ย่อมใหญ่หลวงกว่ากรรมที่ทำเฉพาะคน ยกตัวอย่างที่เห็นง่ายได้ชัดคือถ้าร่วมกันสร้างวิหารถวายแด่สงฆ์ไม่เลือกหน้าเพื่อให้เป็นที่พำนัดหรือเป็นที่สั่งสอนธรรมะแก่อุบาสกอุบาสิกาทั่วไปพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่านั่นเป็นทานที่เหนือกว่าการถวายพัฒหารแด่หมูส่สงฆ์ที่มีพระองค์เป็นประมุขเสียอีกกรรมข่าวที่ทํากับมหาชนและมหาชนได้รับประโยชน์สุขจะส่งผลให้เป็นคนมีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางคือต่อให้ชาตินี้คุณทําดีแบบปิดทองหลังพระไม่มีใครรู้เลยว่าเบื้องหลังประโยชน์สุขของมวลชนคือใครหน้าตาชื่อเสียงเรียงไรแต่คุณทราบแก่ใจว่าสิ่งที่คุณทําไปนั้นเป็นผลดีอย่างชัดเจนกับสังคมหมู่มากอย่างนี้ชาติถัดไปคุณก็จะฉายรัศมีเด่นเป็นที่ยอมรับกว้างขวางอยู่ดีตรงข้าม กรรมดำที่ทํากับมหาชนนั้นจะแปรรูปเป็นเคลื่อนชนิดหนึ่งที่ก่อให้เกิดความรู้สึกเหม็นหน้าใครเจอก็หมั่นไส่และมักมีเหตุให้คุณต้องตกไปอยู่ในสภาพให้คนรชิงชังมากๆซิเสียด้วยแม้ว่าคุณจะพยายามทำดีอยากอยู่ในสังคมเยี่ยงคนปกติสังคมก็มักมาผ่านใสหรือไม่ก็จับคุณเป็นเป้ายำสหบาทาได้ง่ายๆโดยไม่มีใครเห็นใจสงสารเสียด้วย 7. กรรมที่ทำกับวัตถุพิเศษวัตถุในที่นี้หมายถึงสิ่งที่ทำไว้เป็นเครื่องหมายยึดเหนี่ยวจิตใจหรือเป็นศูนย์รวมความเคารพศรัทธาเช่นพระพุทธรูปหรือรูปเคารพของศาสนาทั้งหลายเมื่อทำด้วยใจที่รู้ว่าเป็นการลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ยอมได้รับผลร้ายเกินคาดเช่นเกิดในตระกูลต่าโดนดูถูกดูแคลน ค่าที่ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงฉะนั้นต้องทำความเข้าใจว่าวัตถุไม่ใย่สักเป็นแต่ก้อนดินก้อนหินเท่าๆกันวัตถุที่มีผลทางใจมากย่อมมีพลังสะท้อนในตัวเองมากไปด้วย